ภิกษุนั้นเมื่อจิตบริสุทธิ์เป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวนไหวอย่างนี้ย่อมน้อมน้ ม, นมจิตไปเพื่ออาสวัขคยาณ น, น้อมไปเพื่อสิ้นอะไรสิ้นอาสวะสีใช่ไหมมันผู้ที่จะสิ้นอาสวะสีต้องรู้อะไรรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดความจริงวันนี้ทุก รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขานิโรปฏิปทารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าขันอายาตนะธาตุเหล่านี้เนี่ยปีละนะเบียดเบียนสันตาปะเร่าร้อนวิปริ i, นามะเปร pc, ปรวนไปสังคตาอันปัจจัยปรุงแต่งเห็นอาสวะานะเห็นสมุทัยเห็นตันหาเป็นต้นว่าอายุหนะนั้นนำเกิดเนี่ยนะนิธานะเป็น เปริโพธังอับเปริโพธังวนสังโยคะประกอบพัวพันเอาไว้ในวัตตะมองเห็นนิโรสั จ, จว่าเป็นนิสรณ ะ, ะถอนตนหรือสลัดตนออกจากวัตตะเป็นอมตะเป็นธรรมที่ไม่ตายปณีตะเป็นธรรมที่ประณีตเนี่ยนะเป็นธรรมที่เขมังเป็นธรรมที่เกษมแล้วก็ปลอดภัยอย่างแท้จริงมองเห็นอริยมรรคว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาว่าเป็นนี้เป็นนิยานิกรรมเป็นธรรมที่นําออกจากทุกนี้เป็นเหตุให้ตรัสรูพ้พระนิพพานนี้เป็นธรรมที่เห็นพระนิพพานนี้เป็นธรรมที่รวบรวมบริบูรณ์เต็มเปี่ยมด้วยโพธิปักจยธรรมทั้งหลายก็แปลว่าเห็นทุกข์ด้วยปริญญาเห็นสมุทัยด้วยปหานะเห็นนิโรด้วยการทําให้แจ้งเห็นอริยมรดุด้วยการเจริญเพราะฉะนั้นก็แทงตลอดตรัสรู้ทุกข์ด้วยการ กำหนดรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละตรัสรู้นิโรธด้วยการทาให้แจ้งตรัสรู้ทุกขนิโรทักามินีปฏิปทาด้วยการเจริญแล้วก็รู้ต่อไปอีกว่านี้อาสวะนี้ะนีการมาสวะนี้ภวาสวะนี้ทิฏฐาสวะนี้อวิชชาสวะนี้อาสวะสมุทัยเพราะอาวิชชาเกิดอาสวะจึงเกิดนี้อาสวะนิโรธ ถ, ถ้าดับอวิชชาได้อาสวะก็ดับนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อ อาสวะนิโรทขามินปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับอวิชชาสวะเป็นข้อดับเอ่อเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับกามาสวะทิฐาสวะและอวิชชาสวะเนี่ยนะทิฐาสวะละด้วยโสดาปติมักกามาสวะละด้วยอนาคามิมักภาวสวะและอวิชชาสวะละด้วยอรหัตตมักเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นหลุดพ้นอะไร วิมุต์หลุดพ้นจากกา ม, มาสะวะเพราะตรัสรู้ธรรมเป็นที่หลุดพ้นคือนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้พระนิพพานที่เป็นธรรมที่เป็นอนาสะวะเมื่อเห็นพระนิพพานก็พ้นจากกา ม, มาสะวะภาวาสะวะทิฏฐาสะวะและอวิชชาสะวะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตหลุดพ้นเป็นอรหัตตผลไปแล้วก็รู้มียานอย่างรู้ว่า บัตเนี่ยหลุดพ้นหมดแล้วชาติสิ้นแล้วปฏิสนธิในภพใหม่ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะชาติคือการเกิดในภพสามกำเนิดสี่คติห้าไม่มีแล้วพรหมจันทร์คือประพฤติอริยมรรคทั้งสเนี่ยนะก็จบแล้วกิจสิบหกในอริยสัจสี่ก็ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเรียกว่าทำกิจในอริยสัจสําเร็จเรียบร้อยก็เป็นพระอริยเจ้า เปรียบเหมือนห่วงน้ําบนยอดภูเขามีน้ําใสสะอาดไม่ขุนหมวบุรุษผู้มีจักสุดียืนอยู่ที่ขอบห่วงน้ํานั้นพึงเห็นหอยกาบหอยโขง่งก้อนกรวดกระเบื้องฝูงปลาเนี่ยนะเช่นพวกพวกปลาพวกอะไรเป็นต้นที่หยุดอยู่บ้างเคลื่อนไปบ้างเคยมองดูน้ําใสๆแล้วมองเห็นพวกนกพวกเอขออภัยมองเห็นพวกปลาพวกเต่าพวกแมลงกบเขียดเป็นต้นที่อยู่ในน้ําทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะ ฉันใดผู้ที่เห็นอริยสัจทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรทย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขานิโรธย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขานโรทขามินปฏิปทาเพราะถ้ากล่าวตามอริยสัจก็รู้ว่านี้ทุกข นี้ทุกควรกําหนดรู้นี้ทุกเราได้กาําหนดรอบรู้เสร็จแล้วนี้สมุทัยนี้สมุทัยควรละนี้สมุทัยเราละเสร็จแล้วนี้นิโรดนี้นิโรดเนี่ยควรทำให้แจ้งเราได้ทำนิโรดให้แจ้งแล้วนี้นทุกขานิโรธทัามิหนีปฏิปทาคืออริยมรรคอริยมรรคควรเจริญอริยมรรคเราก็เจริญเสร็จสิ้นแล้วก็เป็นปริวัตรอาการ12อย่างก็เป็น สัจจะสี่เวียนรอบสามก็ตรัสรู้โดยอาการสิบสออย่างเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่เจ็บแล้วกิจที่ควรทําทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเพราะอะไรเพราะสิ้นกามาสะวะด้วยอนาคามิมักสิน้นภวาสะวะด้วยอรหัตต์มักสิ้นทิฏฐสะวะด้วยโสดาปฏิมักสิ้นอวิชชาสะวะด้วยอรหัตต์มรดเพราะฉะนั้นทํำกิจเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าทรงไว้ซึ่งสรีระสุดท้ายเนี่ยนะ ทิ้งภาระเหล่านี้แล้วก็ไม่ถือเอาภาระอันใหม่ๆอยู่ต่อไปดูกนพิสูงาลายพิสูนี้ชื่อว่าสั ม, มณะก็ได้คือผู้ที่สำเร็จดังกล่าวมาแล้วเนี่ยจะเรียกสั ม, มณะก็ได้จะเรียกพรามก็ได้จะเรียกว่านหาตะกะหรือจะเรียกเวทคูโสติยาอริยะหรือจะเรียกอรหันได้ทั้งนั้นแหละ ถามว่าเป็นอย่างไรบอกว่าภิกษุที่ชื่อว่าสัมณะสัมณะก็เพราะว่าสงบสงบอะไรสงบอกุศลธรรมอันลามกสงบอกุศลธรรมที่เศร้าหมองสงบอกุศลธรรมที่ทําให้เกิดในพบใหม่ซึ่งมีความกวนกระวายมีวิบากเป็นภูมิอกุศลธรรมเหล่านี้แหละที่ทําให้เกิดชาติชรามรณะภิกษุผู้ละอกุศลธรรมที่นําไปสู่ ชาติชรามรณะได้แล้วนี่แหละเรียกว่าสัมณะเพราะสมณะเรียกว่าสงบระงับบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะสงบระงับอกุศสลธรรมที่เศร้ามองเป็นทุกข์และนำเกิดก็สงบระงับเสร็จแล้วอย่างนี้แหละเลยเรียกว่าสมณะเนี่ยน ะ, ะผลของความเป็นสัมณะเรียกว่าสามัญญผลสามัญญผลเป็นชื่อของโสดาปฏิผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลเนี่ยนะ อย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นพรามก็บอกว่าเราอากุศลธรรมอันลามกอันเศร้าหมองทําให้เกิดในภพใหม่มีความกรวธกระวายมีวิบากเป็นทุกข์มีชาติชรา ม, มรณะต่อไปภิกษุนั้นลอยไปเสียแล้วก็เลยเรียกว่าเป็นพราหมณ์พรามก็คือผู้ลอยบาปเนี่ยนะชื่อว่าเป็นพราหมณ์ก็เพราะเป็นผู้ ลอยบาปลอยบาปลอยอกุศลลอยกิเลสที่เป็นเหตุทำให้เกิดในพบใหม่ลอยกิเลสที่เป็นเหตุนําไปสู่ชาติชาราและมรณะผู้ที่ลอยบาปอากุศนธรรมทั้งปวงเหล่านี้ได้เสร็จแล้วเรียกว่าเป็นพรามเพราะเป็นผู้ลอยบาปหรือภิกษุนี้จะเรียกว่านาหาตกะผู้อาบน้ําล้างบาปเสร็จแล้วก็ได้เพราะอะไรเพราะอาบน้ําล้างน้ําแต่ที่นี้คืออาบน้ําคืออริยมรรคเนี่ยนะเพื่อล้างอากุศนธรรมอลามกที่ ทำให้เศร้าหมองทำให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นอกุศรธรรมที่ทําให้เกิดชาติชรามรณะถ้าล้างพิษเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนไหนเปรียบเหมือนกันน้ําอมตะเปรียบเหมือนน้าล้างสารพิษเป็นน้ํายาล้างสารพิษเนี่ยนะล้างสารที่นําไปสู่ชาติชรามรณะล้างสารเชื้อโรคที่นําไปสู่อนนะัทุกขโทมานัตเป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ล้างอากุศลธรรมทั้งหลายได้แล้วเรียกว่าน้าหาตะกะผู้มีอับ ผู้มีอันอาบน้ําล้างบาปเสร็จสิ้นแล้วหรือว่าภิกษุผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวเราจะเรียกว่าเวทะคูก็ได้เพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่รู้แจ้งอกุศลธรรมอัลลามกเศร้าหมองเนี่ยนะทำให้เกิดในภพใหม่มีความกวนกวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นตัวที่ทําให้เกิดชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นรู้แจ้ง รู้แจ้งอกุศลธรรมอันนั้นทั้งมวลด้วยโสดาปฏิมักสกทาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมรักพระเวตคูเป็นชื่อของมักสีภิกษุนี้ก็เลยชื่อว่าเวตคูผู้ที่รู้แจ้งด้วยอริยมักทั้ง4ี่ประการภิกษุนั้นจะเรียกว่าโสติยะก็ได้โสติยะก็คือโสติยะแปลว่าทำอกุศลให้หลับหมดแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าหลับหลับแบบหลับทาววอนเลยก็แปลว่าทําลายล้างอากุศลธรรมอันลามก ที่เศร้ามองทําให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นตัวที่ทําให้เกิดชาติชรา ม, มรณะต่อไปพิสูจนั้นให้หลับแล้วคือว่าทําอกุศลธรรมอันลามกอกุศลธรรมชั่วชา้าทุกชนิดให้หลับเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะไม่ได้ทําตัวให้หลับนะแต่ทํากิเลสให้หลับเนี่ยนะเรียกว่าปราบปรามกิเลสได้เสร็จสิ้นแล้วต่อไปอีกบอกว่าอย่างไรพิสูจนชื่อว่าอริยะอริยะเนี่ยนะอริยะก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ ไกลจากกิเลสหรือกําจัดฆาสึกคือกิเลสเพราะพระอริยะผู้ที่กําจัดอกุศุลธรรมอัลามกที่เศร้าหมองทําให้เกิดในพบใหม่ที่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นตัวที่ทําให้เกิดชาติชรามรณะภิกษุนั้นอยู่ห่างไกลจากอากุสุลธรรมเหล่านั้นเพราะกําจัดอกุสลธรรมที่นําไปสู่พบใหม่กําจัดอกุสุลธรรมที่เป็นบาปได้หมดแล้วก็เลยเรียกว่า พระอริยะมันพระอริยะก็เรียกวผู้ที่ไกลบาปผู้ที่กาาําจัดบาปเนี่ยนะผู้ที่ชําระบาปได้เสร็จสิ้นแล้วอย่างไรภิกษุชื่อว่าพระอาหารหันต์เพราะอากุศลธรรมอันชั่วชา้าลามกอันทําให้เศร้าหมองทําให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกเนี่ยนะมีชาติชรามรณะเป็นธรรมดาอากุศลธรรมอันลามกนั้นภิกษุนั้นทําให้ไกลแล้ว พระผ้าหันแปลว่าไกลจากกิเลสซึ่งไม่เหมือนกับคนที่อยู่ใกล้กิเลสเช่นกับปุถุชนพระ้าหัน์ทั้งหลายเป็นผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสผู้หักสี่กรรมแห่งสังสารจักผู้ควรแก่เครื่องสักการะปัจจัยสเป็นผู้ไม่มีความลับในการกระทำบาปผ้าหันทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นผู้ปรนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเช่นภาษารีบรพระโมกขลานะเป็นต้นท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นท่ารับใช้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ก็เลยชื่อว่าอรหันต์ทีนี้สรุปว่าข้อปฏิบัติดังกล่าวไปแล้วเนี่ยนะชื่อว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ให้สมชื่อว่าตัวเองนี้ชื่อว่าเป็นสมณะเนี่ยนะข้อปฏิบัติที่ทําให้สมชื่อว่าเป็นสมณะก็คือมีอะไรบ้างมีหฮริโอตปาเนี่ยนะนะมีเฮริโอต ป, ปะแล้วมีอะไร มีกายสมาจารย์ที่บริสุทธิ์มีวจีสมาจารย์ที่บริสุทธิ์มีมโนสมาจารย์ที่บริสุทธิ์มีอาชีพที่บริสุทธิ์มีอินทรีสังวรรู้จักประมาณในโภชนะประกอบเนืองๆด้วยความเป็นผู้ตื่นและเป็นผู้มีสติสัมปชัญญาเสพเสนาสนะอันสงัดละนิวรห้ที่เป็นตัวทาใจให้เศร้าหมองทาปัญญาให้ อ่อนกำลังลงเนี่ยนะแล้วก็ได้ปฐมฌานทุติยะฌานตติยะฌานจตุนาฌานสเสวยปีติสุขแล้วก็สเสวยสุขที่ปราศจากอามิ t h หรือเป็นผู้ที่มีสติบริสุทธิ์ด้วยปฐมฌานทุติยะฌานตติยะฌา น, นนะเมื่อได้รูปสมาบัติอรูปสมาบัติเป็นบาทเนี่ยนะเป็นจิตที่เบาอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ่าอย่างนี้แล้วก็น้อมไปเพื่อระลึกชาติเนี่ยนะระลึกชาติเหมือนคนออกจากบ้าน ไปเที่ยวที่อื่นแล้วกลับมาบ้านก็ระลึกทบทวนได้อนนก็พี่น้อมอนนเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์พองแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกากรอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ก็พิจารณาความตายและความเกิดของสัตว์เห็นหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเนี่ยนะเห็นหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเหมือนบ้านเรือนสองหลังที่หันประตูมีประตูเป็นอันเดียวกันมองเห็นคนเข้าคนออกได้ฉันนั้นแล้วก็ เมื่อจิตเป็นสมาธิเพราะประกอบด้วยรูปประจานและอรูปปะชานดังกล่าวแล้วก็ชื่อว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์พองแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ก็น้อมไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจว์4ประการทรรมกิจเพื่อกำหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคทำกิจในอริยสัจสีระดับมรรค ระดับโสดาปติมากระดับสกทาคามีมากอนาคามีมากและอรหัตตมักก็สําเร็จเป็นผ้าอารหันต์มีชื่อว่าสมณะเพราะระงับบาปชื่อว่าพราหมณเพราะลอยบาปชื่อว่านหาตะกะอาบน้ําล้างบาปชื่อว่าเวทาครู้แจ้งอกุศลด้วยมักทั้ง4ี่โสติยะทํอาอกุศลธรรมให้หลับหมดแล้วเนี่ยนะให้หลับตลอดไปเลยชื่อว่าอริยะเพราะว่ากําจัดฆ่าศึกคือกิเลสเนี่ยนะ แล้วก็เชื่อว่าเป็นภาธฐานเพราะไกลจากกิเลสกัาจัดข้าสึกคือกิเลสเป็นต้นซึ่งพระพิสุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อฟังพระพุทธภาษิตของพระผู้มีพระภาคจบแล้วก็มีใจชื่นชมยินดีมองเห็นข้อปฏิบัติตามลําดับในพระพุทธศาสนาก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติจนได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นด้วยบุญกุศลคุณงามความดีทั้งปวงที่เราได้ฟังมหาอัสสปุรสูตร ที่กล่าวถึงข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นสมณะเนี่ยนะข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นพรามอ่เป็นข้อปฏิบัติซึ่งผู้ปฏิบัติตามนี้แล้วเนี่ยนะจึงเชื่อว่าเป็นผู้ที่ยังศักการะของผู้ที่มาทำบุญให้มีผลมากให้มีอานิสงส์มากในขณะเดียวกันอ่การบวชของผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็จะได้รับอ่ได้รับผลได้รับอานิสงส์แค่ว่าได้รับผลใหญ่ได้รับ อันนี้สงยิ่งเพรา ะ, ะบุญกุศลคุณงามความดีเหล่าใดที่เราได้ฟังแล้วเพราะเป็นเพราะมาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนีนะเป็นความเป็นธรรมดีของพระธรรมที่นําออกจากทุกและความปฏิบัติดีของภาคเริยสงอ์ทั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจนได้ตรัสรู้อันนะขอบุญกุศลทั้งพวงนั้นเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามโดยทั่วนกันอันนะสำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้